เดินโยกรมตั้งแต่8ดโมงกว่าถึงพอมบางทีกับแดโมงครึ่งจนไปถึงสิบเอดโมงหรือว่าส1บอโมงกว่ า, วานี่แหละอันนี้ก็คือเราตั้งสัจจะมาก็ได้น ะ, ะได้ทำได้ทุกวันตลอดตรมาดสามเดือนอบางครั้งเราก็เอาืออาหารมาทาไมมันเลือกที่ตรงนุ้นตรงนี้หลวงปู่ล่าท่านก็บอกว่าหลวงปูท่ท่า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 ได้รักษาศีลภาวนาหาทางพ้นทุกข์เท่านั้นเราไม่ได้คิดพิถีพิถันประดิษฐ์ประดอยเรื่องอา อ, อาหงอาหารพอเราเป็นนักพรตนักบวชนี่แหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองก็ได้เคยปฏิบัติมาแล้วเพราะนั้นอยากจะให้พระลูกพ่ะหลานทั้งหลายให้ทั้งอกตั้งใจในมีสัจจะในการเป็นอยู่และจะนั่งภาวนาเท่าไหร่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 พวกสายกระโดยมากก็อยู่ในสติปัฏฐานสกายเวทนาจิตธรรมแต่ว่าท่านพูดเอาอมุมใดมุมหนึ่งมาพูดพวกเราที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการเรียนรู้พวกเราก็ได้ยินแต่นำมาปฏิบัติบางทีก็สับสนเดินผิดที่ผิดทางอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะแนะนำแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนาสั่งสอน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 ไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สกก่อนพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็เอามือลงเอามือประสานไว้ที่ท้องน้อยครับออย่าไปกวยแขนอย่าไปเอามือขัดหลังอย่าเอามือกอดอกเอามือท่าสัมรวมท่าสัมรวมท่าระวังท่าสัมรวมระวัง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 อย่างที่ข้าพเจ้าปราถนาทุกๆรดวงใจทุกๆวิญญาณด้วยเถิด อ, อ, อันนี้ก็คือเราแผ่เมตตาแบบรวบรัดจากนั้นกข า, ขาขวาพุทธขาซ้ายโถเราทำไมจึงแผ่เมตตานะ เ, เพราะเราคนเราเนี่ยยังมีอารมณ์ขุนเครืองกับเรื่องอะไรอยู่ เ, เราแผ่เมตตาอย่างนั้นแล้วใจของเราก็จะหยุดในการขุนเครืองออจิตใจจะไม่ได้โกรธ